บัดนี้ก็พากันตั้งใจฟังธรรมะพอสมควรแก่เวลาเนื่องโดยวันนี้เป็นวันจะสุดดสีดิถีที่สิบสี่ข่ำแห่งกาลปัตต์กเป็นวันเดือนเก้าดับเป็นวันทาบุญตามประเพณี ที่เรียกว่าเข้าประดับดินของพุทธศาสนิกชนแล้วก็เป็นวันรักษา อ, อวาสุศีนของทายกทายิกาผู้มีศรัทธาแรงกล้าในบรวรพุทธศาสนาได้ยอมสละกิดบ้านการเรือนมาสมทานศีนอันประกอบไปด้วยองค์แปดประการ ทั่ววันหนึ่งกับคืนหนึ่งการรักษาศินอุโบสถนี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่ามีอนิสงส์มากมายเพราะว่าเป็นการเสียสละความยินดีความยินร้ายความเพลิดเพลินมัวเมาในกิเลสการรมวัตถุกรรมต่างๆ อก็จึงสามารถรักษาอวบสดสินได้ถ้าจิตใจยังโฟพันอยู่ในกิเลสดังกล่าวว่ามานั่นน่ะก็จะรักษาอวบสดสินไม่ได้เลยเพราะนั้นผู้รักษาอวบสดสินเองก็ต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจฟักใฝ่ในความสงบมุม่งหวัง ให้ได้รับความส ง, งบทั้งกายทั้งวาจาทั้ง จ, จิตใจได้ความส ง, งบระ ง, งับทั้งตาหูจมูกลิน้นกายใจตาก็ไม่ประสงค์ที่จะไปมองดู <c oughs> รูปสวยๆงามๆต่างๆเสียงก็ไม่ประสงค์ที่จะฟังเสียงอันไพเราะพริ้ง กลิ่นก็ไม่ประสงค์ที่จะสูดกลิ่นอันหอมหวนชวนชื่นรถก็ดีก็ไม่ประสงค์ที่จะไปติดอยู่ในรสชาติของอาหารต่างๆรับประทานอาหารก็เพียงแต่ว่าประทานชีวิตอยู่ไปวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นร่างกายอันนี้ก็ไม่ต้องการสัมผัสอ่อนนุ่มนิ่มเช่นที่นอน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 เพราะว่าคนเรานี่แต่ละวันแต่ละคืนเนี่ยที่จะรักษาใจของตนให้เป็นกลางอยู่สม่ำเสมอไปได้ในมันยากเต็มทีเพราะว่ามันมีสิ่งมายั่วให้เกิดความยินดียินร้ายอยู่เสมอเว้นเสียแต่ผู้ใดที่ตั้งใจรักษาศีล น, นับแต่ศีลอุโบสถไปแหละตลอดถึงศีลสิบศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ด ถ้าผู้รักษาศีลเหล่านี้จริงๆนั่นแหละถึงจะทำจิตให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งได้ <c oughs> <c oughs> การพยายามทำจิตใจให้เป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ น, ะนี่แหละเป็นทางพ้นทุกในพระพุทธศาสนานี้ให้เพิ่งพากันเข้าใจอันบุคคลผู้ที่ไม่เข้าใจ ในหลักธรรมอย่างแน่นอนอย่างนี้เนะ่ก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรสงสัยลังเลอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรสงสัยลังเลถ้าผู้ใดสมรวมจิตทมจิตของตนให้เป็นกลางอยู่ได้อย่างนี้เช่นอย่ญญาว่าเมื่อเวลามีอารมณ์ที่น่ายินดีมากระทบเข้าก็ไม่หลงยินดีเพลิดเพลินไปตาม เมื่ออารมณ์เมื่อเรื่องที่น่ายินร้ายมากระทบเข้าก็ไม่หลงยินร้ายไปตามอารมณ์นั้นั้นเรื่องนั้นนั้นถ้า อ, อย่างนี้แหะจึงเรียกว่าเป็นผู้มีใจเป็นกลางอยู่ได้ถ้าแบบที่ว่าเมื่อไม่มีเรื่องอะไรมากระทบใจจึงเป็นกลางอยู่ได้ท่านเมื่อมีเรื่องต่างกระทบเข้ามาแล้วใจก็เอียงไปเอียงมาอย่างนั้นไม่ถูกต้อง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 ปฏิบัติตามทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นนะมัดอันมีองค์แปดประการนั่นนะเมื่อตีความหมายลงไปแล้วก็เพื่อที่จะให้ผู้ปฏิบัติตามมัดปีองค์แปดประการนั้นนะมีใจเป็นกลางพร้อมด้วยปัญญาออความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นในใจ การที่จะทําทใจเป็นกลางอยู่ได้ก็อาศัยปัญญาอย่างว่านั่นแหละใช้ปัญญาสอนใจไปสอนใจให้มันรู้สภาพของสิ่งทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นมีขึ้นอยู่ในโลกอันนี้เนะี่ยในสำนวนธรรมะชั้นเรีลว่าสังขารสังขารนี่แปลว่าสภาพที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมานี่ มันก็จะมีอะไรลราลองสังเกตดูพิจารณาให้ดีสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมามันก็มีอยู่สองประเภทคือประเภทที่มีวิญญาณครองนั่นอีกประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งนั่นไม่มีวิญญาณครองคนและสัตว์ดิรัจฉา น, นต่างๆว่านี่อันเดียวกับสังขารที่มีใจครองต้นไม้ภูเขาหินทรายกรวด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 เมื่อเรานั่งภาวนาเองเราก็กำหนดพิจารณาให้เห็นสังขารสองประเภทนี่แหละโดยแจมแจ้งโดยปัญญาเพราะมันมีเท่านี้จริงๆนะโลกตันิวตัตอันนี้นะไ อ, บอ้บุคคลผู้ไม่ได้ภาวนาไม่ได้เจริญปัญญาพิจารณาหเห็นตามเป็นจริงก็หลงหลงสังขารเหล่านี้เองไม่ใช่อื่นได้บางคนหลงถึงกับต้องได้ไปทาบาปทากรรม บางคนก็หลงไม่ถึงกับได้ทำบาปทำกรรมแต่ว่าหากจิตทักถอนออกจากโรคอันนี้ไปไม่ได้จิตถักผูกพันอยู่กับโรค ก, กับสังขารสองประเภทเหล่านี้แหละถอนตัวออกไม่ได้นี่ความเกาะความคล้องของจิตใจเนี่ยมันมีอยู่สองสามขั้นตอนอย่างนี้ ให้พากันสันนิษฐานดูให้ดีเอา้าขั้นตอนเบื้องต้นนั่นน่ะจิตนี่ถอนได้แล้วหรือยังนะอ่ะอพิจารณาดูนั่นแนหะขั้นตอนเบื้องต้นที่ว่าจิตเข้าไปยึดสังขารที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองนั่นน่ะเป็นเหตุให้ได้ฆ่าสัตว์ได้ลักทรัพย์ก่อพืชผิดในกรรม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 ไม่ควรเลยมเมื่อเป็นเช่นนี้ก็สมควรที่จะรู้เท่าตามสภาพความเป็นจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามเรื่องของมันใจอย่าไปหลงยินดียินร้ายอย่าไปเสียใจดีใจกับสังขารทางพวงเหล่านั้นสังขารหนึ่งพวงเหล่านั้นมันแปลปรนไปอย่างไร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 เมื่อบุญกุศลมันล่อยหลอลงไปแล้วร่างกายนี่มันก็สำลุดซุดโทมไปความชลาภาพก็ปรากฏขึ้นมาอย่างนี้นะนั่นแหละการที่ร่างกายนี่มันซุดโทมลงไปโครคไัยเบียดเบียนบ้างความแก่ครอบงาำบ้างโมนี่นั่นที่บอกแล้วว่าบุญมันใกล้จะหมดแล้วบุญทิศรักษาร่างกายอันนี้อยู่นะมันน้อยลงไปแล้ว เตือนตนเข้าไปอย่าประมาทบุญมันใกล้จะหมดแล้วมเมื่ออยู่นานวันนานเดือนไปนานปีไปบุญกุศลนันนั้นมันก็ลอยหลอไปโดยลำดับร่างกายนี้ก็ทุดโทมไปเรื่อยๆผูกไม่ประมาทเจริญภาวนาอยู่เสมอแล้วก็ย่อมตามรู้ตามเห็นสังขารร่างกายทุกส่วน ทั้งภายนอกภายในทั้งหยาบทั้งละเอียดอยู่อย่างนั้นเลยไปตามรู้ตามเห็นตามความเป็นจริงอยู่อย่างนั้นไม่หลงมันหมายความว่าอย่างนั้นมเมื่อไม่หลงมันแล้วมันก็ไม่เศร้าโศกเสียใจอะไรจิตใจมันก็ตั้งมั่นต่อบุญต่อกุศลตั้งมั่นต่อความจริงเราเอาความรู้จริงนั่นแหละเป็นเครื่องอยู่แบบนี้นะ เมื่อมันรู้จริงมันจริงใจแล้วใจมันก็ไม่วันไหวถ้ามันไม่รู้จริงอ่ะมันไม่จริงใจแล้วมันก็วันไวแ้แหละจิตดวงนี้นะเพราะฉะนั้นเราต้องถามตัวเองตอบตัวเองสอนตัวเองให้มันจริงใจลงไปจริงๆอ่าอย่างนั้นถามตัวเองว่าจริงหรือยังอ่ะเรื่องอย่างนี้นะแล้วตนจะตอบตนว่ายอย่างไรอ่ะถ้าตอบลงว่าจริง เมื่อมันเห็นจริงเห็นแจ้งมันก็ตอบตัวเองได้ว่ามันจริงเมื่อจริงอย่างนี้ก็ไม่สงสัยแล้วนั่นไม่สงสัยในเรื่องความตายความพัดผ่าจากกันและกันในโลกสันิวาตอันนี้เราภาวนาเห็นอยู่ทุกคืนทุกวันนะมันก็ไม่เกาะไม่คล้องแม้เราจะอยู่ร่วมกันไปตลอดไปอย่างไร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 มีคุณพระตรนากลายเป็นที่พึ่งอยู่มันก็ไม่ว่าเวจอยนั่นแหละเวลาจะตายก็ไม่ว่าเวเพราะเรามีที่พึ่งอยู่แล้วอย่างนี้นะคนไม่มีที่พึ่งอยู่ในใจแล้วเวลาจวนจะตายเนี่ยมันว่าเวใจเลือดร้อนแล้วคล้ายๆกันกับว่าจวนจะตกลงไปในเหวอย่างนี้นะ มันก็ตกใจหวาบๆเนะยมันไม่มีราวอันเป็นเครื่องจับเหนิวเลยอ่ะเมื่อไม่มีราวจับเหนียวมันก็ตกลงไปในเหวจริงๆไปนั่งอยู่ริมเหวอ่ะอันนี้เหมือนกันนั่นแหละถ้ารู้ว่าลมหายใจจะหมดลงไปแล้วอย่างนี้นะมันก็ตกใจหวามๆคนไม่มีที่พึ่งนะอ ดังนั้นจงพากันสร้างที่พึ่งขึ้นในใจของตนของตนให้มันได้สร้างสติสร้างปัญญาสร้างความรู้ความฉลาดนี่นะ่ะให้เกิดขึ้นในใจนี่แหละท่านเรียกว่าสร้างกุศลความรู้ความฉลาดนี่แหละเรียกว่ากุศล น, นะให้เข้าใจกุศลไม่ใช่อย่างอื่นนะแล้วก็ไม่มีตัวมีรูปมีร่างอะไรอยู่ที่ไหนอ ไม่เอาจิตที่มันรู้มันฉลาดรู้จักละสิ่งที่ควรละรู้จักเจริญสิ่งที่ควรเจริญให้เกิดให้มีขึ้นในใจนี้อย่างนี้นะท่านเรียกว่ากุศลธรรมผู้ผู้ไม่รู้ไม่ฉลาดอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีกุศลธรรมอยู่ในใจมีแต่บุญ บุญนั้นได้ได้แก่ความยินดีออความพอใจในคุณงามความดีที่ตนทํามาแต่เมื่อกิเลสมันลบ ก, กวนเอาก็ไม่มีปัญญาที่จะละกิเลสนั้นได้ความยินดีในบุญในกุศลนั่นนะ่ะมันเป็นอย่างไรมันต่างกันนะอส่วนกุศลนี่มันเกิดจากใจที่สงบที่ตั้งมัน่น เมื่อใจตั้งมั่นลแล้วอะไรกระทบกระทั่งมามันรู้ได้มันพิจารณาทันมันเป็นอย่างนั้นใจมันไม่ได้วันไห้ไปตามเรื่องนั้นนั้นก่อนมันกำหนดใจพินาเรื่องนั้นได้นี่ลองสังเกตดูว่าใจเราเป็นยังไงอ่ะเราได้บําเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นแล้วหรือยัง อย่างนี้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องพิจารณาตัวเองปัญญานี่แหละเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วนะนับว่าเป็นแก้วสารพัดนึกจริงๆนะปัญญาเหล่านี้ใครจะสร้างให้ใครก็ไม่ได้ทุกคนต้องสร้างเอาเองต้องฝึกใจให้หนักแน่นให้ตั้งมั่นปัญญาในทางธรรมนี่นะมันถึงจะเกิดขึ้น ถ้าใจเราแหละใจอ่อนแอแล้วปัญญาประเภทนี้ไม่เกิดเลยอขอให้พากันเข้าใจอันปัญญาเกิดจากการเรียนการจําการท่องการจําอันนั้นมันไม่สามารถที่จะมาละกิเลสนี้ขาดจากสันดานได้หรือไม่สามารถจะละบาปให้ขาดไปได้อให้พึงพากันเข้าใจเพียงแต่ว่า จำไว้ซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าว่าจะละบาปก็ละได้เป็นบางสิ่งบางอย่างไปเท่านั้นแหละหรือจะละกิเลสก็ดีแต่มันมันละไปไม่ได้ขาดเรื่องมันนะเพียงแต่คมคมไว้เท่านั้นเองส่วนปัญญาที่เกิดจากการสมาการทำสมาธิทำจิตให้ตั้งมั่นลงไปนี่ อันนี้มันเป็นปัญญาที่แหลมคมมากมีปัญญาอันแหลมคมมากทีเดียวสามารถตัดกิเลสขาดจากสันดานได้เหมือนเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละเมื่อได้สลับสับฟังธรรมบรรยายดังแสดงให้ฟังมานี้แล้วขอขอให้พากันตั้งอกตั้งใจฝึกตนเข้าไปให้เต็มความสามารถ ของตนของตนก็จะเกิดผลคือความรู้ยิ่งเห็นจริงขึ้นมาในใจของตนดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้